ทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อก็อาถ้ายัางไม่มีใครถามนะหลวงพ่อก็จะเน้นในตรงนี้ใหม่เพิ่มเติมเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญในเรื่องที่ว่าเรื่องที่เรารู้เนี่ยนะเรื่องที่เรารู้เนี่ยกับเรื่องรู้เราตรงนี้สําคัญมากมันมีคืนก่อนเมื่อคืนเนี่ยเรามีการแสดงกันหมายถึงว่ามีการทํากิจกรรมกันคนที่ไม่ได้ฟังวันนี้เดี๋ยวหลวงพ่อก็จะพูดอีกทีหนึ่งทํากิจกรรมยังไงก็ หลวงพ่อก็สุภาพมีโยมคนคนหนึ่งนะมาคุยกับหลวงพ่อแล้วก็ให้ทากิจกรรมบอกว่าคือหลวงพ่อจะถามก่อนถามความเป็นอยู่ก่อนว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะโยมก็บอกอยู่บ้านอยู่กับใครอยู่คนเดียวนะแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเอ้าเดี๋ยวอย่างนี้ให้โยมมองไปที่ผนังห้องนะว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะใช้เป็นสิ่งที่มันจะมีอะไรบ้างที่ ที่ให้เรายืนมองนะหลวงพ่อก็ตอนแรกก็กําหนดเหมือนกับว่าอาจจะเป็นนาฬิกาแขวนนาฬิกาผนังอะไรแต่บางคนก็ไม่มีแล้วก็บอกว่า อ, อ๋อสะดวกที่จะดูอะไรบ้างเขาก็บอกว่าออดูม่านนะหลวงพ่ออ่ะดูม่านก็ได้ทั้งนั้นตอนเนี้ให้โยมยืนขึ้นนะยืนแล้วก็มองไปที่ม่านอืมทีนี้พอมองไปที่ม่านเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อจะถามแล้วก็ให้ตอบหลวงพ่อก็ถามว่าอา โอหลวงพ่อให้ตั้งกติกาก่อนอย่างนี้บอกว่าโยมยืนมองม่านนะนะแต่โยมห้ามรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้ยืนมองอยู่ห้ามรู้นะไอ้ตัวเนี้ยรู้ม่านได้ว่าเห็นม่านได้แต่ห้ามห้ามรู้ว่าตัวเองไงกำลังยืนมองม่านอยู่อ๋อให้ทําได้ปรากิดว่าพอยมปฏิบัติเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าผ่านไหมผ่านก็คือก็คือหมายความว่าไม่รู้ตัวเองว่าเป็นผู้ยืนมองโยมก็บอกว่าไม่ผ่าน เพราะว่ามันรู้ว่าตัวเองยือนอยู่พยายามเท่าไหร่มันก็ยังรู้อยู่ว่าตัวเองเป็นผู้ยืนดูม่านอยู่หลวงพ่อบอกว่าเออถูกแล้วแหละถูกตรงที่รู้ตัวเพราะว่าถ้าคนไม่รู้ตัวเนี่ยดูแต่ม่านแต่ไม่รู้ตัวแต่ที่โยมรู้ตัวเนี่ยถือว่าถู ก, ถกรู้ตัวแล้วก็จะแยกได้ว่าม่านกับตัวเราเนี่ยเป็นคนละสิ่งกันแต่หลวงพ่อสงสัยอยู่ว่าใครเป็นคนรู้ตัวว่าโยมยืนดูม่านอยู่โยมบอกว่าก็ผมเป็นคนรู้ แล้วก็คุยกันมาว่าโอเคไอ้ผู้ยืนน่ะหลวงพ่อเข้าใจว่าเป็นตัวผมเป็นตัวโยมนะแต่ผู้ที่รู้ว่าโยม Lucy, ยืนน่ะที่โยมบอกว่าเป็นผมอธิบายให้หลวงพ่อฟังเพิ่มเติมที่ว่าหน้าตาของผมอ่ะมันคือมันหน้าตายัางไงโยมก็คิดคิดคิดคิดก็บอกว่ามันหน้าตาเหมือนผมกับคนที่ยืนเลยอ่ะเราบอกเอ า, เอาไว้คนที่ยืนมันเป็นมันเป็นคนคนยืนมันไม่ใช่คนรู้นี่ เพราะนั้นคนรู้เนี่ยมันมันไม่ต้องมันไม่ใช่เป็นคนนี้มันต้องเป็นอีกคนหนึ่งเพื่อเป็นผู้รู้โยมก็ก็คิดไม่ออกแต่โยมตอบได้อย่างเดียวก็ผมเป็นคนรู้อ่ะกลายเป็นว่าผมรู้ผมหลวงพ่อก็บอกว่าปกติคนเรานะถ้าเป็นผมเนี่ยมันมีกี่คนกันแน่มันมีคนเดียวหรือมีหลายคนโยมบอกว่าถ้าเป็นผมนะมันก็มีคนเดียวอา้าวแต่โยมตอบอ่ะผู้ยืนก็เป็นผมและผู้รู้ก็เป็นผมนี่แสดงว่ามีผมสองคนมันถูกเหรอโยมก็ง ง, ง คือตรงนี้หลวงพ่อใจเชีย่ยเห็นว่าความยึดมั่นถืงมั่นเนี่ยมันยึดไปหมดแล้วทั้งทั้งที่เราเนี่ยรู้ภาคปริยัติอย่างดีว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่พอภาคปฏิบัติก็ยังทําไม่ได้ยังเข้าใจผิดทั้งทั้งที่ยังบอกอยู่ว่าเออมันมีแต่สังขาร น, นะตัวเราไม่มี แต่เวลาภาคปฏิบัติทำไมมันถอนตัวตนออกไม่ได้ก็ยังมีเราเป็นผู้ยืนยังมีเราเป็นผู้รู้ว่าเรายืนถึงจะพูดอันนี้ยังทุกขงังถึงจะพูดสังขารสักเท่าไหร่แต่ก็ยังปฏิบัติไม่ได้เนี่ยคือความเห็นผิดที่ทำให้เปลี่ยนเป็นความเห็นถูกยากที่สุดเลยทุกวันนี้เนี่ยที่เราปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยเอาตัวเราไปปฏิบัติหมดเลยทั้งท้งที่ภาคปริยัตเนี่ยรู้เป็นอย่างดีว่ามันไม่มีตัวเรามีแต่อนัตตา แต่ก็ยังเข้าใจว่าเราเนี่ยไปปฏิบัติตามวัด ต, ต่างๆแล้วพอปฏิบัติเนี่ยเราก็เป็นผู้นั่งทําสมาธิเป็นผู้เดินจงกรมนะเป็นผู้ยกมือส4บสีจังหวะตามแนวหลวงพ่อเทียนทำไมรู้ปริยัติเยอะแล้วแต่ทำไมยังเป็นเราละ่ะเออเราตัวก็หลายคนคงตอบลาบากเหมือนกันบอกออไม่รู้สิแต่มันรู้สึกว่าเราไปนั่นไปเนี่แม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเรายังมานั่งคข้าว่องครับอยู่เลยก็ยังยังเขาเรียกว่า หลวงพ่อก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าตรงนี้คือเราอะรู้หมดแล้วแต่รู้เราอะมันยังเข้าใจผิดว่าเรารู้ความจริงอะไม่ใช่เรารู้หรอกเนี่ยและจะทำยังไงหลักโยมคราวนี้ยเรารู้หมดแล้วเรารู้ทุกเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าเรารู้แต่พอรู้เรามันทำไม่ถูกกลายเป็นเรารู้เราโอ้ทีนี้ใครจะมีแชร์แบ่งปันประสบการณ์เนี่ยเพื่อจะทำลายความเห็นผิดเนี่ยให้มันเห็นถูกว่าเออ ประสบการณ์ของผู้ที่ขึ้นมาพูดเนี่ยมีประสบการณ์อะไระเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เห็นถูกเนี่ยไปเปลี่ยนได้มามันมีเหตุการณ์อะไรถึงเปลี่ยนได้เออเนี่ยอยากจะแชร์เรื่องเนี่ยเพราะถ้าเราขึ้นไปพูดเรื่องนี้มันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยไงคนอื่นที่เขายังยังคลายความเห็นผิดไม่ได้อะ่ะเออเอามีไหมตอนเนี่ยในห้องเรารู้มาหมดแล้วแต่ก็ยังเป็นเราอยู่ เออทำยังไงมันไม่เป็นเรามันเป็นสังขารเออนี่ไงตรงนี้แหละที่ที่คนที่มาถกเถียงกันนะส่วนมากก็เถียงกันเพราะอะไรเพราะเรารู้เราไปอ่านเราไปฟังเราได้ยินเรารู้เรารู้เรารู้เป็นไหยไปยึดความรู้มาเป็นเราอะ่ะหลวงพ่อก็เลยว่าไอทางหนทางเนี้ถ้ากราบใดก็ตามยังเห็นผิดแบบเนี้ยมันก็ข้ามพ้นไม่ได้ข้ามพ้นวัฏฏะไม่ได้ต้องเห็นถูกเสียก่อนว่าที่รู้เนี่ยไม่ใช่เรารู้ อ่าทีนี้จะทำยังไงว่าที่รู้ไม่ใช่เรารู้รู้แต่ว่าไม่ใช่เรารู้แล้วก็ไอ ส, ไไสิ่งถูกรู้ก็ไม่ใช่เรากลายเป็นว่าผู้รู้ก็ไม่ใช่เราสิ่งถูกรู้ก็ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่มีเราเลยก็คืออนัตตาตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหรือยมจะฟังประสบการณ์ของหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อแนะนาประสบการณ์ได้ไหมเจ้าคะ ต้องต้องมีกี่ชั่วโมงบินเนี่ยเจ้าค่ะถึงจะเข้าใจว่าคือจริงๆอ่ะเข้าใจไปแล้วเนี่ยมันมีแต่มันมีแต่สังขารเนาะแล้วหลวงพ่อคนไหนโยมต้องเจาะจงมาก่อนอ้าวมีสองหลวงพ่อเหรอคะตรงนี้เอาคือจริงๆอ่ะมันมีแต่สังขารเท่านั้นอหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นแค่คําสมมติเรียกโยมเออหลวงพ่อเนี่ยเป็นคําสมมติเรียกว่าเออนี่นะเอออันเนี้ย คือจริงๆอ่ะนะไอสังขารเนี่ยมันไม่มีชื่อเนอะอาะยงเข้าใจได้เนาะอ่าสังขารก็คือสภาวะธรรมคือรูปธรรมนามธรรมที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นหลวงพ่อไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่เอ่อเวลาสมมติเราอยู่ในโลกเนาะก็ ต, ต้องต้องมีสมมติใช้งานเพื่อจะได้เรียกสื่อสารกันได้เนาะ mm hmm. เขาก็เลยสมมติว่าอันเนี้ยเป็นหลวงพ่อออสอ่ะมีชื่อด้วยนะมีหลวงพ่อด้วยมีหลวงพ่อออสแต่ความจริงอ่ะมันเป็นสังขารเสมอเหมือนกันกับกับทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้น แต่เขาเขาติดฉลากไว้ว่าเนี่ยหลวงพ่อออสเพราะฉะนั้นหลวงพ่อออสเป็นแค่สมมุติแต่ถ้าโดยสัจจะโดยปารมัดเนี่ยหลวงพ่อออสไม่มีพอเข้าใจได้ไหมแบบเนี้ย อ, อ๋อได้เจ้าค่ะได้อ๋ออย่างของโยมก็เหมือนกันนอ้อชื่อนี้นินตยาอ่านิตยาเนี่ยไอคอนเกิดอ่ะเอาตอนอยู่ในท้องยังไม่มีชื่อนี้แต่สังขารแต่แต่สังข า, งขามรออขามีแล้วเนาะสังขารก็คือทารก พอคลอดออกมาตอนนั้นก็ยังไม่มีชื่อนี้แต่มีสังขารแล้วเนาะแล้วก็ต่อมาไปตั้งชื่อนี้ขึ้นมาว่าเป็นนิตยาเห็นไหมนิตยากับสังขารนี่มันคนละตัวกันเนาะเออทีนี้ถ้าไม่ตั้งชื่อแต่ไอ้สังขารก็ยังมีอยู่แต่ไม่รู้จะสื่อสารกันยังไงเวลาอยู่บ้านเรียกกันไม่ถูกเขาก็เลยตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นชื่อเนี้ยไม่ใช่สังขารชื่อเนี้ยเป็นแค่สมมุติใช้สื่อสารกัน แต่คนก็ไปติดสมมุติว่าเราอ่ะเราคือชื่อนิตยาเราอ่ะเราอ่ะเราคือนิตยาเห็นไหมไปลงยึดข้าไปแล้วเป็นเราเรียบร้อยแต่ถ้าเรามีปัญญาแยกเป็นนะว่าอ๋อนิตยานี่มันมาทีหลังมันมีทีหลังหลังจากที่สังขารเกิดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสังขารกับตัวนิตยามันเป็นคนละสิ่งกันแล้วก็แต่ทำให้เข้าใจได้เลยว่าอ๋อไอ้ชื่อทั้งหมดที่เราเรียกกันเนี่ยโตมันเป็นแค่สมมุติเรียกกันเฉย พอเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะพระอาจารย์เออพอเข้าใจเสร็จแล้วแล้วจะให้หลวงพ่อพูดอะไรอีกไหมหลวงพ่อไม่มีนะอ้าวหลวงพ่อต้องมีสิเจ้าค่ะเอ้าถ้างั้นสมมุติว่ามีเนาะ่าสมมุติว่ามี น, ะมมมนี่ไงก็คือสิ่งที่ประสบการณ์ของหลวงพ่อที่ทําให้เข้าใจว่าตัวเราไม่มีมีแต่สังขารแล้วก็เข้าใจสมมตุติว่าสมมุติก็คือมันไม่ใช่สังขารมันไม่ใช่ตัวเรา แยกเป็นระหว่างสมมติกับกับปรมัดอ่ะเออสมมติกับสังขารมันแยกเป็นว่ามันมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันอ่าพอแยกเป็นอย่างงี้ปั๊บเนี่ยมันก็เข้าใจเลยว่าจริงเนี่ยหลวงพ่อไม่มีหมายถึงว่าไอตัวพยันชนะนะ่ยที่เรียกว่าหรือว่าออกเสียงคําว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่มีอยู่จริงอันนี้แค่ตั้งชื่อมาส่วนไอตัวสังขารที่เกิดมามีมีขันห้ามีเนื้อมีหนังมีเอ็นกระดูกมีอะไรเนี่ยตับไตไส้พุงอ่ะนะ มีความคิดมีความรู้สึกเนี่ยไอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏเขาเรียกว่าสังขารซึ่งเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันก็ดับไปดับหมดไม่เหลือดับหมดเลยทีนี้ถ้ามีปัญญาแจ่มแจ้งเข้าใจแล้วก็ไม่หลงก็จะรู้เลยว่าอ๋อมีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดแล้วก็มีสังขารเท่านั้นที่ดับไปหมดไปความเป็นตัวตนจริงๆจึ ง, จงมิได้มีนี่ก็คือเล่าประสบการณ์แล้วนะเนี่ย ถ, ถ้าเราปฏิบัติแบบแม่ไก่กกไข่เนี่ยไปปฏิบัติยังไงคะแม่ไก่กกไข่ก็จเจริญสติมากๆรู้สึกตัวปัจจุบันบ่อ ย, อยๆมากๆเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนี้เนาะพอถามปั๊บรู้ตัวว่าถามพอคิดรู้ตัวว่าคิดพอพอใจไม่พอใจก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆการแบบเนี้เขาเรียกว่าฟักไข่นะเมื่อฟักมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงอุปมาเหมือนว่าไข่ออกจากไข่แล้วอะนะคือเข้าใจแจมแจ้งว่าอ๋อ ที่ฝึกมาทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เราฝึกที่รู้มาทั้งหมดก็ไม่ใช่เรารู้ปัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นต่างๆก็ไม่ใช่เรามันเป็นแค่สภาวะที่มันมันมีมันมีจากการที่ตอนแรกก็เหมือนเรียกว่าเอาเราไปฝึกกันเนาะแต่พอเข้าใจเสร็จแล้วเอาไอ้ที่ผู้ฝึกมันก็คือสังขารแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสังขารสุดท้ายก็เป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเราในสังขารเลยอย่างนี้เขเรียกว่าวัก ไข่ออกมาเป็นลูกไก well ่เรียบร้อยแล้วฟักบ่อยๆเนาะเวลาเวลายมได้ยินเสียงหลวงพ่อเสียงหลวงพ่อแล้วโยมมารู้ที่หลังว่ากำลังปลดหัวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเกิดเพราะเพราะว่ายมไปยึดมั่นถึง yeah มั่นอะไรบางอย่างไหมเจ้าค่ะกับทำให้เกิดการปรุงแต่งจากเสียงที่เข้ามากระทบเนี่ยค่ะอืมก็เป็นเหตุปัจจัยหมดแหละเนาะเออพอเสียงกระทบปั๊บแต่จริงไอ้เสียงมันก็คือเสียงเนาะ การได้ยินก็คือการได้ยินหูก็คือหูมันกระทบกันมันก็เกิดการได้ยินพอเกิดการได้ยินเสร็จมันก็ลงไปสู่ใจจําได้ขึ้นมาว่าไอ้นี่เสียงแล้วก็ตีความหมายคิดนึกปรงแต่งว่าเป็นเสียงคนนั้นคนนี้อล้วกันแล้วแต่คือมันมันทํางานเป็นกระบวนการทางทํางานทางใจอะนะอืมแต่ทีนี้เนื่องจากว่าไม่ได้เข้าใจเรื่องกระบวนการทํางานของของจิตใจก็เลยไปยึดมันไปยึดมาเป็นเราตั้งแต่ได้ยินเสียงแล้วอ่ะไปยึดมาหมดเลย วาดเสียงแล้วก็เราเป็นผู้ได้ยินหูก็เป็นเราแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นมันเป็นเรามันเป็นเราหมดเลยอ่านะถึงนี้พอเป็นเราเสร็จแล้วก็ปฏิกิยาเมื่อมีตัวเราเนาะมันมีการราเขาเรียกว่ามีการต่อต้านบ้างมีการสู้รบกันบ้างมีการโรูสารพัดแต่ก็รู้ไม่เท่าทันหมดสุดท้ายมันก็ให้เป็นเป็นผลตามที่โยมเล่าก็ได้แต่ถ้าถ้าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะว่าเออไม่มีเราไม่มีอะไรก็มีแต่การกระบวนการทํางานของธรรมชาติ มันได้ยินก็ได้ยินแล้วก็มันลงไปปรุงแต่งในจิตในใจมันจําได้อย่างนั้นก็ได้แต่รู้มันรู้รู้รู้ไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้นะต้องต้องฝึกไงนะไม่มีเราเป็นผู้รู้แต่มันรู้ได้อะไรเงี้ยมันมีความผิดพลาดเยอะแหละต้องต้องไม่งั้นเนี่ยเราหมูไม่คือต้องต้องฟังเนาะฟังคําสอนแล้วก็มาปฏิบัติปฏิบัติก็คือเอาาหน้ามาปฏิบัตินั่นแหละแต่ถึงแม้ว่ามันยังรู้สึกเป็นเราก็ไม่เป็นไร แต่เมื่อเรียนปฏิบัติมากขึ้นมันจะเข้าใจเองว่าไอาความรู้สึกเป็นเรามันก็เป็นแค่ความรู้สึกก็คือเป็นสังขารเหมือนกันมันไม่มีอะไรพ้นไปจากสังขารนะเออเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกก็เข้าใจได้ว่าเอามันเป็นสังขารที่ปรากฏไม่ว่าจะแบบไหนยังไงมันก็คือสังขารที่กำลังปรากฏหมดเลยให้เข้าใจถูกอย่างนี้มันก็พ้นจากความเป็นตัวเราได้พ้นได้เพราะเข้าใจถูก นีคนคนที่เขาเข้าใจถูกเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มไปทางที่ถูกใช่ไหมจ๊ะถูกต้องอืมเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกต้องแล้วก็คือถ้าคือจริงๆอ่ะถ้าเข้าใจถูกนะก็คือมันหมดปัญหาหมดแหละแต่บางทีเข้าใจถูกระดับหนึ่งแล้วก็ที่ยังไม่เข้าใจถูกก็ยังมีอีกแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรที่ยังเข้าใจไม่ถูกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นต้องบางทีก็ใช้เวลานานหน่อยชาตินี้ ที่เกิดมาเป็นคนอาจจะไม่ทันแต่ถ้าผู้มีปัญญามากก็อาจจะมีปัญญามากฟังแั๊บเดียวก็หลุดโพสเลยเงี้ยแล้วไม่หลงกลับไปไปเข้าใจผิดอีกก็มีกนแล้วแต่หลวพอเจ้าค่ะก็คือถ้าเรานั่งสมาธิสองชั่วโมงไะเจ้าค่ะมันต้องปวดแน่ๆเลยอ่ะใช่แล้วทีนี้อย่างอย่างอย่างโยมนั่งฟังหลวงพ่อพูดใช่ไหมคะผูรู้ก็คือ มันลมพัดผ่านกายอ่ะโยมก็อืมมันมันก็เหมือนวานสภาวะได้ตามหลวงพ่อพูดน่ะนะคะว่าถ้าถ้ามันเป็นอารมณ์แบบเนี้ยมันก็เหมือนกับมันมีการมองกันอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ให้ความหมายในการมองกันอะระหว่างแล้วระหว่างคนที่มองกับคนที่ถูกมองอ่ะค่ะก็คือโยมนั่งอยู่หน้าพัดลมอ่ะแต่ว่ามันเป็นสภาวะที่เบาเบเนาะมันก็เป็นเหมือนกับเบาๆอ่ะแต่คือแล้วถ้าเรานั่งสมาธิอะค่ะหลวงพ่อเราจะผ่านอย่างนั้นได้ยังไงอะคะ เพราะว่ายังไงอะยมว่ามันต้องปวดอะอยอมและอยากฟังอะเจ้าค่ะหลวงพอ่อคือธรรมชาติเนี่ยนะเมื่อมันมีกายเนาะกายเนี่ยมันเมื่อเกิดอะไรที่เรานั่งอยู่กับที่นานๆเนี่ยมันก็แน่นอนอะมันก็ต้องปวดไม่มีใครไม่ปวดแต่ที่เราเรียนธรรมะคือให้เข้าใจเรื่องสิ่งที่ปรากฏว่ามันเป็นมันเกิดของมันเองนะความปวดก็เกิดเองเราไม่ได้สร้างใช่ไหมอ่า เนี่ยก็นั่งพิจารณานี่แหละมันปวดคือเรานั่งเพื่อพิจารณาศึกษาความปรุงแต่งว่ามีอะไรเกิดขึ้นในตัวบ้างในใจบ้างเราไม่ได้นั่งเพื่ออันนี้หลวงพอ่อพูดเธอคือหลวงพ่อพู ด, พดในเน้นในทํานองคือให้เกิดปัญญาเนาะโดยเอาโดยเอาสิ่งที่ปรากฏอันนั้นแหละมาศึกษาว่ามันมันเกิดมันดับยังไงมันเปลี่ยนแปลงยังไงก็คือมีสติเหมือนกับว่ามีสติแล้วก็รู้ดูอยู่อย่างเงี้ยเนาะสังเกตสังเกต การเรียนแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อคลายนะคลายความหลงผิดยึดมั่นถือมั่นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันยึดเป็นเราไปหมดความปวดก็เป็นเราปวดผู้นั่งก็เป็นเรานั่งผู้ศึกษาก็เป็นเราผู้ศึกษาความพอใจความไม่พอใจเป็นเราหมดเลยแต่ทีนี้ถ้ามาพิจารณาตรงนี้พิจารณาจนเข้าใจเลยว่ามันเป็นแค่สังขารที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่เรานี่เป้าหมายปลายทางมันต้องต้องเดินในทางนี้ เพรา ะ, ะนั้นศึกษาความปวดก็คือให้เห็นว่าอ๋อความปวดเกิดเองดับเองเนาะมันปวดแล้วมันหายไปหรืออาจจะปวดมากขึ้นก็อ๋อมันเกิดเองดับเองเรื่องเข้าใจแล้วว่าความปวดไม่ใช่เราแล้วก็ต่อมามาพิจารณาเรื่องจิตบ้างเช่นรู้สึกว่าจิตมันอาจจะตอนแรกฟรุนะ้งซ่านเนาะแล้วก็มันรับรู้ได้นี่ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟาุ้งซ่านแล้วก็นั่งไปสักพักหนึ่งมันอาจจะส ง, งบเงียบลงอก็รู้ว่าอ๋อจิตมันเงียบลงแล้วมันส ง, งบลงแล้ว แล้วก็ต่อมามันอาจจะหงุดหงิดกับความปวดแล้วก็เริ่มพวงซ่านอีกแล้วก็รู้ว่าอ๋อจิตมันวุ่วายอีกแล้วมันบ่นมันพูดแล้วก็ไม่ส ง, งบอีกแล้วเนี่ยนั่งดูความจริงที่มันแสดงให้ดู จ, าาจนกระทั่งว่าให้เข้าใจว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละมันเป็นสังขารปรุงแต่งไม่ใช่เรานะเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดปัญญานะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอาให้ถูกใจเร า, า, าอันนั้นน่ะยังเป็นกิเลสตัณห า, า, หาเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนความเห็นใหม่นะถ้าสมมติเคยมีความเห็นนผิดนะ เปลี่ยนมาเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรท่านก็สอนเพื่อพ้นทุกข์เพื่อออกจากทุกข์แล้วไอ้สังขารทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าทุกข์ทุกข์กำลังปรากฏแล้วก็หัดให้มีสติเป็นผู้เห็นทุกข์เมื่อมันเห็นทุกข์มันก็จะเข้าใจเลยว่าทุกข์ก็เป็นสิ่งถูกเห็นแต่สติเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นอย่าเข้าไปยึดอย่าเข้าไปเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพียงมีสติแล้วก็เห็นทุกข์รู้ทุกข์อยู่อย่างเนี้ยทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทุกข์ดับไปก็็รู้แต่่่ไไไไมมหหลลงงปปปเนยึด อ่าเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นความหลุดไงคราวนี้ยหลุดหลุดได้เพราะอะไรหลุดได้เพราะรู้ว่านั่นคือทุกข์หรือว่าจะเรียกว่าหลุดได้เพราะเห็นเห็นว่าอะไรเห็นว่านั่นทุกข์แล้วเรื่องอะไรไปไ ป, ไปเป็นยึดทุกข์ให้เป็นตัวเป็นตนเหรอใช่ไหมทุกข์ก็มีอยู่ก็มันดับไป<ๆ>เพียงแต่ว่าไม่มีใครไปหลงยึดถือเมื่อไม่มีใครไปหลงยึดถือก็ความพ้นทุกข์ก็ปรากฏขึ้นเพราะไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์มีแต่ทุกข์ของสังขารที่มันเกิดดับไปเนี่ยประมาณอย่างเนี้ย เจ้าค่ะโอชาทูเจ้าค<น>่ะคือคือจริงๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งให้เราทําอย่างนั้นเพื่อให้ได้เพื่อให้เราไปเรียนรู้ทุกถูกต้องอค่ะแต่ส่วนมากคนเขาเขาไม่เข้าใจในในวัตถุประสงค์เพราะบางทีเนาะอย่างว่าเนาะสานักบางสํานักเขาเน้นเหมือนกันว่าทําสมาธิคือให้มีสามาธิตั้งมั่นก่อนแล้วค่อยค่ อ, คอเดินปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาเนา ะ, ะแต่แนวที่หลวงพ่อเนี่ยมันไปพร้อมกันเลยคือแค่แค่มีสติ นะและก็มีสมาธิไม่ต้องเยอะเพียงแต่ว่าถ้ามีสมาธิพอที่จะรับรู้ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นแค่นี้พออะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้แล้วก็ศึกษาเรื่องความเป็นไปของสิ่งถูกรู้ก่อนว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็สังเกตเดี๋ยวเรามันก็เกิดปัญญาเพราะว่าเราเคยเรียนภาคปริยัตอยู่บ้างแล้วนี่เรื่องวิปัสสนาคือให้เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมอ๋อนี่ถ้าเห็นความเกิดดับได้แล้วก็เข้าใจว่าสิ่งเกิดดับมันไม่ใช่เราเนี่ยนี่เท่ากับว่าเป็นปัญญาแล้วเป็นวิปัสส ก็ต <S preach science> ่อยอดในทางปัญญาอีกนะสมมติว่าเห็นแล้วว่าไอ้นี้ยเกิดดับไอนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วก็เข้าใจแล้วว่าเออสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดมันมันไม่ใช่เราแหละสมมติว่ามีปัญญาถึงขั้นนี้แล้วนะต่อมามันต้องมีปัญญาอีกว่าแล้วผู้รู้ล่ะไอ้ผู้ที่รู้ใจลักอ่ะไอ้ผู้ทู่เห็นไอ้ผู้รู้ผู้เห็นที่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยตรงเนี้ยต้องย้อนกลับเข้ามาหาผู้รู้แล้วว่าแล้วก็พบว่าผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน ผู้รู้ตอนนั้นน่ะสมมติว่าลงสมมติว่าโยมเป็นคนนั่งทําสมาธิเนะะาะเห็นความเจ็บความปวดความเมื่อยหมดแล้วเนี่ยแล้วเห็นว่ามันไม่ใช่เราทีนี้คนอื่นจะมารู้กับเราได้ไหมว่าว่าเห็นอย่างที่เราเห็นไม่ได้เจา้าค่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เห็นได้คือใครผู้รู้ผู้รู้แล้วผู้รู้คือใครอ่ะในเมื่อทําอยู่คนเดียว <laughs> <laughs> ผู้รู้คือใครเอ่ย <laughs> ผู้รู้ไม่เที่ยง อ่าผู้รู้ไม่เที่ยงถูกต้องแล้วแล้วใครเป็นผู้รู้ต้องรู้ต้องพบผู้รู้ก่อนสมมตินะโยมโยมปฏิบัติอยู่คนเดียวเนาะแล้วก็รู้ทุกอย่างเลยว่าไอ้นั่นเกิดดับอันั้นไม่เที่ยงไอ้นั้นเป็นทุกข์แล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่เราแต่มันยังเป็นผู้รู้อยู่หลวงพ่อก็เลยถามว่าผู้รู้ที่ว่านี้คือใครอ่ะก็เรารู้อ่าเพราะนั้นต้องกลับมารู้เราอีกทีหนึ่งว่าผู้รู้ที่เป็นเรานี้ก็ไม่เที่ยง ถ้าเป็นเราเมื่อไร่ก็ชัดๆอยู่แล้วต้องเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นการพบผู้รู้ก็คือตัวเดียวกับเรานัแหละพบเราก็คือเท่ากับพบผู้รู้แล้วทําลายผู้รู้เชื่อว่าผู้รู้ไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วก็อย่าได้หลงยึดถือผู้รู้อีกแต่มันรู้ได้นะให้มันรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ยึดถือผู้รู้แล้วแค่เนี้ยก็หลุดพ้นจากผู้รู้ไปแล้วพ้นไปจากผู้รู้ก็คือไม่มีผู้ไหนไม่มีอะไรแล้วเป็นความว่างนละ แสดงว่าต่อไปถ้าเราไปเจอเวทนานที่หนักๆเราก็สามารถช่วยสังขารเราได้ใช่ไหมคะไม่ต้องไปใช้ความอดทนที่มันเพราะว่าวเราอาจจะไม่ได้มีสมาธิที่ตัดความเจ็บปวดได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพอ่อคือความอดทนเนี่ยเป็นแค่ทำเพื่อเป็นขันติในการศึกษาเนาะถ้าไม่อดทนเนี่ยพอเมื่อยหน่อยแล้วก็เลิกแล้วก็เลยไม่เห็นทุกเนี่ย เออเพราะว่าเปลี่ยนอิริยาบถมันก็ไปปิดบังความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยอดทนมีขันติที่จะให้มันทุกเกิดแล้วก็เพื่อเรียนรู้เพื่อศึกษานะแต่ไม่ใช่ว่าต้องชนะความทุกข์ไม่ใช่ถ้าชนะเดี๋ยวก็มีเราเป็นผู้ชนะอีกทําเพื่อการศึกษาตามสมควรเนาะไม่ถึงกับทําให้ร่างกายต้องลําบากภายหลังอะไรเงี้ยะทุกอย่างเนี่ยต้องมีขันติหมดขันติคือไม่ลุกไม่ไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้ศึกษาเพราะว่าถ้าเราไม่มีขันติเนาะกลายเป็นว่า พอคิดจะเลิกก็เลิกพอคิดจะทำก็ทำและพอมีอะไรหน่อยก็เลิกกลายเป็นว่าไม่ได้เห็นความจริงเพราะว่ามันไม่มีขันติที่จะมาศึกษาเออตกลงพอเข้าใจได้เยอะเนาะวันนี้เนาะเข้าใจเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบมณัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะกราบมณัสการหลวงพ่อครับขออนุ ญ, ญาตเรียนสนทนาทางธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นนะครับเนื่องจากเอ่อ หลายท่านที่ทได้สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยจะมีเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็จะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องการปฏิบัติเช่นนี้ครับกราบไหว้สิ่งต่างๆลูก ป, ปั้นต้นไม้เสาเอาทุกไปปักในลักษณะนี้ครับซึ่งซึ่งผมมองว่ามันเป็นธรรมชาติของความเชื่อโดยหลักของพุทธาศาสนาเนี่ย ไม่ได้แนะนําหรือสอนให้ยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติในหลักเช่นนี้ครับหลวงพ่อจึงขอขอคาอธิบายหรือว่าคําชี้แนะด้วยครับก็ที่โยมพูดมาก็ก็ถูกต้องนะถูกต้องเลยพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ให้ให้ทาสิ่งนั้นสิ่งนั้นเนี่ยไม่เป็นสารณะไม่เป็นที่พึ่งนะแต่ที่พึ่งของเราคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธคือผู้รู้ นะรู้รู้ธรรมะรู้ความพ้นทุกข์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็มาสอนพวกเราให้ปฏิบัติตามเรียกว่าสอนพวกเราก็คือคำสอนก็คือพระธรรมนะแล้วผู้ปฏิบัติตามเนี่ยถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นพระสงฆ์สาวกแต่ว่าหมายถึงว่าต้องมีปัญญาถึงขั้นที่ละตัวตนได้แล้วน ะ, ะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่า พระพุทธพระธรรมคือพระรัตนตรยัยนอกจากนั้นไม่ใช่เป็นสารณะไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราแต่ด้วยความไม่รู้นะเป็นความไม่รู้ของผู้คนเหล่านั้นเพราะได้ยินได้ทราบสืบสื บ, สบต่อกันมาแล้วก็ไปศรัทธาไปเลื่อมใสแล้วก็ไปไปทำตามคนเหล่านี้พื้นฐานคือเขาไม่ได้รับฟังนะไมไ่รับฟัง คือไม่ได้ฟังธรรมอ่ะเนาะไม่ได้ฟังธรรมเช่นเข้าวัดก็ไม่ไปฟังธรรมหรือไม่อ่านหนังสือคือไม่ไม่สนใจในเรื่องคําสอนน่ะก็เอาความเชื่อที่ผิดผิดมาปฏิบัติจนกระทั่งเชื่อถึงขั้นว่าอันนั้นแหละคือถูกหลวงพ่อก็หรือโยมเองก็เข้าใจตรงกันแล้วก็คือว่าอันนั้นไม่ใช่ทางเลยแต่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยการที่จะไปแนะนําหรือหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยดูแล้วจะเป็นแนวทางที่ยากนะเพราะว่าความเชื่อความศรัทธานี่ก็จะเชื่อลึกมาก ก็มันเนี่ยถึงบ้างแม้กระทั่งกฎหมายเนาะเขาก็เลยไม่บังคับว่าให้ใครต้องต้องเชื่อหรือไม่เชื่อคือแล้วแต่แล้วแต่แม้กระทั่งศาสนาพุทธเองก็ไม่ได้บังคับใครเพียงแต่เป็นเพียงผู้บอกนะเป็นผู้บอกก็มันแล้วแต่เรื่องพวกนี้ก็เลยอืแต่ถ้าเราก็เนี่ยนะผู้ที่เดินตามก็มีหน้าที่ว่าเออถ้ามีโอกาสจะพูดก็คือต้องพูดในในคําสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ว่าเออการปฏิบัติเพื่อเพื่อพ้นทุก์เนี่ยนะเพื่อพ้นจากวัฏสงสารเนี่ย ม, มันปฏิบัติยังไงแต่ถ้าเขาไม่ฟังก็แค่นั้นเองก็คืออุเบกขาอขออนุญาตเรียนปรึกษาอีกในระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าในสังคมเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพวกเราก็ยังต้องปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะหน่วยงานของรัฐเอกชนราชการหรือว่าหน่วยงานของครอบครัวซึ่งเราก็จะพบปะผู้คนในสังค ม, ม น, นะครับซึ่งก็จะพบปะผู้คนทั้งคน คนที่จะเป็นบัวพ้นน้ําก็ดีบัวไม่พ้นน้ําก็ดีปะปนกันไม่ได้ทั้งคนดีคนมีจิตเมตตาหรือว่าคนหลักหลายชนิดฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่าเนี้เน่ยเมื่ออยู่ในสังคมเนี่ยเราก็จะเจอในเรื่องของทุกข์จากคนที่มีจิตหรือความคิดที่ทำร้ายซึ่งกันและกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะผ่อนหนักเป็นเบาให้หลุดพ้นได้อย่างไรครับหลวงพ่อพันธงเลยเรื่องเนี้สิ่งที่จะบรรเทาได้คือต้องมีสติรู้สึกตัว หลวงพ่อจะขยายความนิดหนึ่งมีสติรู้สึกตัวคือก็คือว่ารู้ตัวเองนะรู้กายรู้ใจโดยเฉพาะถ้าใครรู้ใจเป็นเนี่ยมันมันจะฝึกเขาเรียกว่ามันจะแก้ปัญหาต่างๆได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดที่ใจเจ้าของเนี่ยมันเกิดที่ใจใช่ไหมเช่นความชอบความไม่ชอบความกโกรธความโมโหมันเกิดที่ใจถ้ามีสติก็จะเห็นที่ใจนะแล้วก็สติเนี่ยจะเป็นตัวกำกับ คอยเมกเหมือนกับว่ามันเป็นคุณนิสสมบัติของสติอ่ะนะเออว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นที่ใจแล้วเนี่ยจริ ง, รงๆก่อนเกิดเนี่ยถ้ามีสติดีมันก็มันมีการควบคุมกากับจนกระทั่งอาจจะไม่โกรธก็ได้ไม่อะไรก็ได้แต่สติมันก็อยู่ที่กําลังเนาะถ้าฝึกมามากเนี่ยมันก็อาจจะไม่โกรธหรืออาจจะโกรธน้อยนะแล้วก็จะมันมีการควบคุมคือไปยับยั้งการพูดการกระทาไม่ให้กระทาตามตา ม, ตามใจเช่น มันมีความโกรธแล้วก็รู้สติรู้แล้วว่าโกรธแต่ว่าเพราะว่าสติเนี่ยไม่สามารถที่จะระงับความโกรธได้ทันทีเนาะแต่มันเป็นความโกรธแต่พอโกรธแล้วเนี่ยเมื่อปากจะพูดสติก็ยับยั้งปากก็คืออุบปากไม่ไปพูดจึงเราเนี้สติเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยทั้งหมดเลยจะเป็นเหมือนกับว่าที่เขาบอกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเหมือนพ่อแม่คอยดูแลเหตุการณ์ในกายในใจอยู่เนี่ยวันนั้นน่ะสตินี่แหละคือหนทางที่จะ จัดการให้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดเพราะนั้นเนี่ยถ้าผู้คนได้ฝึกสติกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาในสังคมแต่ที่มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้ฝึกสติกันก็ขาดสติแล้วก็เกิดทะเลาะบ่อแวง้งอย่างนู้นอย่างนี้ตามที่เห็นปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนี่ยรพระอาจารย์ครับเออถ้าไม่มีเราแล้วแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้ทําไมอะครับอ๋อเออปัญหานี้มีคนถามเยอะนะคืออย่างนี้นะที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยที่เราเรียกว่าขันหน้าเนาะหายงว่าเรา ตกลงตรงกันว่าที่มีอยู่เนี่ยคือขันหน้ร่างกายจิตใจนี่เนาะเป็นขันหน้าเขาก็มีอยู่อยู่แล้วนะเขาจะเดินจะนั่งทํามาหากินก็ทํางานเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าเอออย่าไปทําผิดศีลผิดธรรมที่ให้เดือดร้อนกันเนาะการพูดการจาก็ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยไม่ทะเลาะเบาแหวงกันอันเนี้ยก็ถึงไม่มีตัวเราแต่ขันหน้ายังมีอยู่และเขาขันหน้เนี่ยทํากิจกรรมต่างๆได้หมดทุกเรื่องเลยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ย ขันห้ามันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นความแค่เข้าใจผิดเท่านั้นเองว่าขันห้าเป็นเราทีนี้เมื่อเข้าใจถูกสมมติว่าเข้าใจถูกจริงๆแล้วอ่ะนะการดํารงชีวิตประจําวันเหมือนเดิมก็คือเนี่ยขันห้ายังกินยังเดินยังขับถ่ายยังยังป่วยยังแล้วสุดท้ายขันห้าก็ตายเหมือนเดิมอืมเพียงแต่ว่าไม่มีเราเป็นผู้ตายไม่มีเราเป็นผู้เดินไม่มีเราเป็นผู้นั่งไม่มีเราเป็นผู้เป็นอะไรเพราะมันไม่มีเรามีแต่ขันห้า แค่นี้เองแสดงว่าก็คือดำเนินชีวิตไปตามหน้าที่ตามบทบาทแล้วก็โดยไม่ให้ให้ให้อะไรครับให้ไปกระทำกุศลกรรมหรือไปทำป่าใช่ไหมครับเพื่อให้ที่ป่าตามมาทำหน้าที่ถูกต้องอ่ะถูกต้องแล้วก็ถูกต้องถูกต้องถูกต้องหมดเลยมันเป็นแค่ความเข้าใจผิดเท่านั้นเองอ่ะว่าเป็นเราเป็นตัวเราแต่พอไม่เข้าใจผิด ก็เหลือแต่ขนันหน้าแล้วก็ขนันหน้า hmm. ก็สัจจะสั จ, จธรรมของขนันหน้าก็คือความจริงของขนันหน้าก็คือเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายไปคือตายแล้วเมื่อตายแล้วเนี่ยความเข้าใจผิดว่าเป็นเราตายก็ไม่มีเพราะว่ามันเป็นปัญญาอันนี้พูดถึงปัญญาสุดยอดแล้วเนาะมันก็ไม่ได้มีเราตายมีแต่ขันหน้เปลี่ยนสภาพไปนะแล้วก็เมื่อไม่มีเราผู้ทุกข์ก็ไม่มีแต่มีแต่ขันหน้าที่มันเป็นทุกข์ด้วยตัวมันเอง mm hmm. เช่นทุกข์เจ็บทุกข์ปวดทุกข์ป่วยทุกข์อะไรเนี่ยเพราะไอ้ตัวทุกข์เนี่ยคือตัวทุกนขน อย่างนี้นะอย่างนี้ถ้าพลิกนิดเดียวแค่นั้ น, น่ะจะเข้าใจผิดเป็นเข้าใจถูกก็คือจบม้วนเลยอืไม่สำหรับซับซ้อนอะไรมันเห็นผิดนะเป็นเราทุกข์เราป่วยโอ้ยเราแย่แล้วเมื่อไหร่เราจะหายอย่าเงี้ยอคําพูดหนึ่งนะครับสลวงพ่อเขาบอกว่าจริงๆทุกข์เนี่ยมันไม่ให้มันไม่หมดนะครับมีคําพูดว่าทุกข์มันแค่กําหนดให้รู้ว่ามันเกิดทุกข์อยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะมันก็จะหายไปเองเพราะว่าความเบื่อหน่ายหรือ ลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าทุกเนี่ยให้พยายามให้รู้ให้รู้ให้รู้ไว้แต่ว่ามันคงไม่หายไปแต่ว่าให้รู้อยู่เรื่อยๆ ร, รู้อยู่เนืองเนืองใช่ไหมครับใช่ใชเพราะว่าคุณลักษณะของทุก์เนี่ยคือมีการเกิดแล้วก็ดับไปมีแล้วหมดไปอ่ะนะเออเช่นสมมติว่าเราจะยกตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่เกิดแล้วแล้วก็หมดไปก็อย่างน้อยก็ความเจ็บความปวดเนาะอ่า มันก็เกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอาจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่มากขึ้นหรืออาจจะลดลงแล้วก็วนวนอยู่อย่างเนี้ยตราบใดที่ขัน่านี้ยังไม่แตกสลายไปนะคือเรียกว่ายังยังประกอบกันเป็นเป็นที่เรียกว่าเป็นคนเนี่ยนะไอ้พวกนี้ยมันก็วนวนกันอยู่อย่างนี้แหละเจ็บเจ็บหายหายปวดปวดเนาะแล้วก็ทั้งร่างกายเนี่ยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มแล้วก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะ แล้วจิตใจก็เหมือนกันนะเดี๋ยวมีความสุขเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็รำคาญเดี๋ยวก็เป็นอย่างงน้นอย่างนี้นี่คือลักษณะของทุกข์มันไม่ได้หายเรียบเป็นหน้ากลองอ่ะคือมันจะต้องมีเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้เนี่ยมันก็ไม่เรียกว่าเป็นชีวิตอ่าชีวิตมันก็ต้องมีอย่างเนี้ยผสมกันจนกว่า จ, จะแตกหมดแตกสลายไปแต่ทีนี้ว่าเรื่องกําหนดรู้ก็คือต้องมีตัวรู้นะถ้าไม่มีตัวรู้เนี่ยมันมีแต่ทุกข์แล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นยัังไไไกก็แ้้ปญหาม่ด เช่นสมมติว่ามันเจ็บปวดเนาะไม่รู้ว่าปวดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รักษาตัวเองหรือว่าหิวแล้วไม่รู้เลยว่าหิวเออมันก็ไม่ต้องกินข้าวกันแล้วก็อยู่ไม่ได้หรือว่าไม่มีร้อนไม่มีหนาวแล้วมันจะอยู่กันยังไงอะ่ะอากาศหนาวจะตายก็ไม่รู้ว่าหนาวเออหรือว่าร้อนจะตายก็ไม่รู้ว่ามาร้อนโอ้ชีวิตก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกที่มันมีเนี่ยโอเคมันมีของมันอยู่แล้วแต่ต้องรู้ การรู้เนี่ยมันมีคุณค่ามากเพราะอะไรรู้เนี่ยเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องทุกข์ได้แต่ถ้าไม่รู้แก้ปัญหาไม่เป็นก็อยู่ด้วยความมันก็อยู่ไม่ได้นานเนี่ยมันก็ตายไป응แล้วก็ถ้ารู้ขั้นสูงสุดคือรู้แล้วไม่ยึดนะรู้ทุกข์แต่ไม่ยึดทุกข์มันก็เป็นความพ้นทุกข์ไปเออเพราะฉะนั้นคําว่ารู้เนี่ยมันมีมันมีอะไรเราก็รู้ว่ามันมีบทบาทมากอะ่ะที่จะแก้ปัญหาก็ได้พายพ้นทุกข์ก็ได้เพราะรู้จริงๆอ่ะ รู้แท้ๆเลยนะมันไม่มีสภาพทุกข์เลยมันไม่มีสภาพทุกข์นั่นเขาเรียกว่าพ้นทุกข์นะเพราะนั้นถ้าจะคุยในรายละเอียดเรื่องรู้เนี่ยก็ต้องเนี่ยข้าห้องนี้แหละจะขยายความว่ารู้เนี่ยไม่มีทุกข์เลยรู้เนี่ยเป็นความไม่ปรากฏเป็นความไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ปรากฏผู้รู้ไม่ปรากฏการรู้คือรู้ว่ามีแต่ว่าไม่ปรากฏอะไรเลยอย่างเนี้เขาเรียกว่ารู้แล้วไม่ทุกข์พ้นทุกข์ รู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้เนี่ยก็คือรู้อย่างเนี้ยที่พ้นทุกข์คือไม่ปรากฏตัวผู้รู้มีแต่รู้ก็ไม่ต้องทุกข์อะไรแต่ทุกข์ก็อย่างที่โยงเข้าใจคือมันเกิดเดับๆอยู่อย่างนั้นเมื่อแยกได้ระหว่างทุกข์กับรู้มันก็มันก็พ้นจากทุกข์ได้เลยเพราะฉะนั้นที่บอกทุกต้องรู้ก็คือถูกต้องแล้วแต่รู้เนี่ยไม่ใช่เรารู้เนาะเพราะทุกวันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยทดสอบกันปรากฏว่าเรารู้หมดเลยแต่จริงๆรู้น่ะต้องไม่ใช่เรารู้ แต่ทุกวันเนี้ยก็เลยทั้งๆ ท, ท, ที่เข้าใจภาคปริยัตนะว่าเราไม่มีตัวตนไม่มีแต่พอเอาเข้าจริงก็ยังเป็นเรารู้อยู่เลยแม้กระทั่งตอนเนี้เดี๋ยวเนี้ยก็หลายคนก็ยังเป็นเรารู้อยู่เ อ, อมันมีคําือผมคิดเองนะครับว่าสมมติว่าถ้าเราฝึกเหมือ น, นกับฝึกคอยไปฝึกการกําหนดรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเปรียบเทียบว่าช่วงหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนที่เวลาผมยกตัวอย่างนะครับเวลาแม่กับลูกขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ย แล้วก็เกิดรถชนขึ้นแล้วแม่เห็นลูกเนี่ยเจ็บปวดมากแต่ตัวเองก็ถูกรถชนแต่ตัวเองไม่รู้สึกเลยมันเหมือนกับว่าเราสามารถฝึกจิตไปไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถคือเราจะสามารถที่จะไม่รู้สึกไอ้ทุกข์กายได้อันนี้มันเป็นไปได้ไหมครับหรือว่าผมเข้าใจผิดไหมครับคือทุกอย่างเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้แม่กับโลกเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นปรากฏ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงคนหนึ่งรู้สึกเจ็บแต่คนหนึ่งไม่รู้สึกเจ็บคือมันเป็นความจริงในขณะปัจจุบันนั้นนะะตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ฝึกหรอกมันมันเป็นของมันเช่นนั้นเองนะมันเป็นของมันเช่นนั้นเองแต่ด้วยการรู้การรู้การเห็นเนี่ยว่าอ๋อปรากฏการเช่นเนี้ยคือมันเป็นเรื่องของมันเราไม่ได้ทําเนาะเราไม่ได้ฝึกตรงนั้นอะไรคือมันเป็นเองอ่าทีนี้ไอ้ตัวรู้นั่นแหละไอ้ตัวที่รู้นั่นแหละไอ้ตัวเนี้ยคือ เป็นสิ่งที่ต้องฝึกคือฝึกอะไรคือฝึกให้มันมีการระลึกรู้การรู้เพราะว่าถ้าไม่รู้ก็กลายเป็นว่าก็แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้อีกอใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้มีให้มีตัวรู้ขึ้นมาแต่สิ่งถูกรู้เนี่ยไม่ต้องฝึกสิ่งถูกรู้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันบางทีเนี่ยอะไรนะสิ่งถูกรู้เนี่ย มันเป็นปรากฏการเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนะมันมีให้เกิดมันก็เกิดไม่มีให้เกิดมันก็ไม่เกิดแต่ตัวรู้เนี่ยต้องฝึกให้มีแต่จริงมันมีอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่รู้ไปรู้อะไรอยู่มันจะไปรู้นอกตัวก็ได้แต่มันไม่รู้ตัวเองอย่างเงี้ยต้องเลยต้องฝึกให้มันกลับมารู้ตัวเองที่เรียกว่าฝึกสติสติก็คือความตัวรู้อเนี่ยคฝึก็มีตัวรู้เออถามเพิ่มครับตัวรู้เนี่ย นอกจากตัวรู้ก็คือตัวสติเนี่ยแหละครับสติระ ล, ลึกผู้กายระ ล, ลึกรู้อ่าอ่าสิ่งต่างๆที่มันมากระทบน น, นะครับท uh ีเนี้ยพอรู้แล้วเนี่ยเอ่อถ้าหากว่าสติมันไวพอเนี่ยไอ้สัญญาซึ่งมันจดจําว่าไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยมันคือคือดินน้ํำลมไฟหรือว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือไม่มีอะไรเพราะว่ามันประกอบขึ้นด้วยไอ้ธาตุดินต่างๆไอ้ธาตุสีเนี่นะครับหรือหรือหรือประกอบไปด้วย อะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วมันก็แตกสลายไปเป็นลักษณะของความไม่มีตัวตนเป็นเพราะความรู้อย่างนี้หรือเปล่าที่มันแจ่มแจ้งอยู่ในจิตใจมันเลยทําให้เราสามารถที่จะจ ะ, จะไม่ทุกข์หรือหรื อ, ห ร, อหรือละทุกข์ได้น่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือความเข้าใจของผมว่าการที่เราลึกรู้อยู่ บ, บ่อยๆแล้วก็มีสติอยู่ บ, บ่อยๆแล้วก็มีปัญญาอยู่ บ, บ่อยๆเห็นว่าทุกอย่างมันประกอบขึ้นจากธาต ดนนาำร้นไฟเนี่ยแล้วมันจริงๆแล้วมันก็คือเกิดดับเกิดดับอยู่ตอลอดเวลามันทําให้เราเหมือนกับว่าคุ้นเคยแล้วคุ้นชินแล้วก็เป็นอัตโนมัติถ้าเราฝึกอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเป็นลนักษณะอย่างนั้นท่านเข้าใจถูกไหมครับอืมเข้าใจถูกอนะก็คือฝึกสติตอนแรกก็มีแค่สติเนาะปัญญายังไม่เกิดแต่ว่าสติเนี่ยคือระลึกรู้แล้วล่ะว่าอะไรกําลังปรากฏทีนี้พอฝึกไปมากๆเนี่ยมันก็เป็นปัญญามาพ่วงก็เป็นสติปัญญา ทีนี้เมื่อเป็นสติปัญญาปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสังขารคือเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะเข้าใจเข้าใจหมดเข้าใจถึงก็เรียกว่าลึกซึ้งอะ่ะชนิดที่ว่าเข้าใจไม่คลาดเคลื่อนต่อหลักสัจธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกอย่าง ถ, าถ้าพูดถึงเรื่องธาตุเนาะก็เป็นสักแต่ว่าธาตุถ้าพูดถึงขันห้าก็เป็นศักแต่ว่าขันห้าเนะเาะก็แล้วแต่คือรอบรู้รู้แจ้งรู้จริงจนกระทั่งว่าไม่ยึดถือสิ่งใด มาเป็นตัวเป็นตนอีกอก็คือก็เนี่ยเป็นสติปัญญาแต่ขั้นสูงสุดนะท้าวโพสตึกมันสติปัญญามันก็มีหลายระดับเนาะแล้วแต่อยู่ที่ว่าฝึกหัดมามันมีปัญญาแค่ไหนก็ตามนั้นแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยพ้นทุกข์ได้ก็เพราะปัญญานี่แหละก็คือเนี่ยคือมีปัญญาสูงสุดเข้าใจถูกต้องถูกต้องไม่คาดเคลื่อนต่อสัตยรร์จะทำถูกต้องหมดคุณเจ้คุณเจ้าครับครับสาธุ ค, ครับอื